มาบำเพ็ญคุณประโยชน์ทั้งกับตัวของท่านเองและแก่ผู้อื่นเช่นพระภิกษุสามเณรที่ได้ออกจากเพศคารวะแล้วมาบวชเพื่อมาพิสูจนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสอนไว้ว่า รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเรายังไม่รู้ว่ารถแห่งธรรมเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาพิสูจน์ดูเหมือนกับอาหารที่เราไม่เคยรับประทานถ้าเราไม่ลองรับประทานดูเราก็จะไม่รู้ว่าอาหารที่เขาว่าวิเศษที่อริดอร่อยมากนี้เป็นอย่างไร จนกว่าเราได้สัมผัสด้วยการรับประทานแล้วเราก็จะรู้ซึ้งแก่ใจของเราเองว่าอร่อยจริงหรือไม่ตามที่เขาพูดกันฉันใดพระศาสนาคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เป็นเหมือนกับอาหารของใจถ้าใจอยากจะรู้ว่าอาหารชนิดนี้คือรสแห่งธรรมนี้ ชนะรถทั้งปวงหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องน้อมนำเอามาศึกษาน้อมนำเอามาปฏิบัติจนบรรลุผลขึ้นมาเมื่อได้ผลแล้วเราก็จะได้รู้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทร้งปวงหรือไม่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสันติโก เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองไม่มีผู้อื่นจะพิสูจน์แทนตนได้ตนจะต้องเป็นผู้พิสูจน์เองเหมือนกับการชิมรสของอาหารชนิดต่างๆต่อให้ใครก็พูดอย่างไรก็สู้เราชิมเองไม่ได้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ากับหนึ่งลิ้นได้สัมผัสสัมผัสแล้วก็จะรู้ว่าอาหารเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่วิเศษหรือไม่อย่างไรการที่มีการบวชบรรพชาสามเณรบ้างออุปสมบทเป็นพระภิกษุบ้างนี้ก็เพื่อเป็นการมาทดสอบมาทดลองดู หากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างที่ได้ทรงสั่งสอนหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทรงหมายความว่ารถแห่งธรรมก็คือความสงบสุขของใจนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่วิเศษ ความสุขต่างๆทั้งหลายที่เราได้สัมผัสกันทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขที่ให้แต่ความหวงความห่วงความกังวลความเสียดาย เวลาที่ต้องสูญเสียความสุขเหล่านี้ไปแต่ความสุขทางจิตใจความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอถ้ามีความสุขทางใจแล้วจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องกวนความสุขทางทางอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากการ ได้เงินได้ทองความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองความสุขที่ได้จากการ <c oughs> เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆเช่นดืมเดินเครื่องเดินหรือรับประทานอาหารหรือดูภาพยนตร์หรือฟังเสียงเพลงชนิดต่างๆ หรือท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะส่วนไหนของโลกนี้ก็ตามต่อให้ได้เสพได้สัมผัสได้ทำมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ให้ความสุขที่ถาวรความสุขที่อิ่มที่พอจะมีแต่ความหิวตามมาเสมอความต้องการตามมาเสมอ ได้ดื่มเครื่องดื่มชนิดใดแล้วจะต้องอยากจะดื่มอีกต่อไปดื่มกาแฟถ้วยนี้แล้วก็อยากจะดื่มถ้วยที่สองถ้วยที่สามถ้วยท้วยสี่ตามไปเรื่อยๆดื่มสุราขวดนี้แล้วก็อยากจะดื่มขวดที่สองขวดที่สามไปเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อลองเก็บขวดสุราที่เราดื่มไว้ดูว่า จะมีขวดโซดาที่เราได้ดื่มแล้วนี้มีกี่ขวดด้วยกันมีบางคนเขาบอกว่าเขาเคยเก็บขวดโซดาไว้เต็มบ้านไปเลยโรงรถนี้มีแต่ขวดโซดาเต็มไปหมดทั้งๆ ท, ที่ดื่นเพียงวันละขวดเท่านั้นเองแต่วันละขวดปีหนึ่งมันก็365้อ้าขวดถ้าสิบปีมันก็สามพันหกร้ขวดเข้าไปถ้าเป็นเงินทอง กวดละร้อยมันก็ต้องสามแสนกว่าบาทเงินทองเหล่านี้ก็หมดไปความสุขที่ได้จากการดื่มสุราก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความอยากความต้องการความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวยามใดที่อยากจะเสกอยากจะดื่มสุราแล้วไม่ดื่มสุราก็จะมีอาการ ไม่สบายอกไม่สบายใจมีความหงอยเหงาเศร้าซ้อยขึ้นมานี่คือความสุขทางโลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ความสุขที่เราได้จากคนก็เช่นเดียวกันเช่นคู่ครองของเราเวลาอยู่กับเขาเขาอยู่กับเราเราก็มีความสุขใจพอเขาไม่อยู่เขาไป ที่อื่นไปธุระไปทำอะไรเราก็มีความเหงาความว้าเหวถ้าเขาไปแล้วไม่กลับมาเลยเราก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจตามมาเขาอยู่กับเราตลอดเราก็เบื่อเขาบ้างทะเลาะ ก, กับเขาบ้างไม่ได้รับความสุขเต็มที่ได้รับความสุขเป็นบางส่วน แล้วก็ได้รับความทุกข์ความวุ่นวายใจอีกหลายส่วนตามมาถ้าเราลองพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นว่าความสุขทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้เป็นความสุขที่เคลือบด้วยที่ซ่อนที่ซ่อนด้วยความทุกข์เป็นเหมือนความสุขเคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาล เวลาที่เราอมเข้าไปใหม่ๆก็จะได้รสหวานพอน้ำตาละลายเป็นหมดแล้วก็เหลือแต่ความขงฉันใดความสุขทางโลกก็เป็นอย่างนี้ทางราบยศสารเสริญสุขเป็นอย่างนี้เวลาได้เงินได้ทองมาเราก็ดีอก ด, ดีใจมีความสุขพอเราใช้เงินหมดแล้วไม่มีเงินที่จะใช้อีก เราก็มีความทุกข์ตามมานี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ส่วนความสุขทางธรรมะทางธรรมนี้เป็นความสุขที่เกิดจากจิตใจสงบระงับนิ่งสงบเป็นความสุขที่มีความอิ่มมีความพอไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทะชนิดต่างๆไม่อยากท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเพราะไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับความสุขที่อยู่เฉยๆเหมือนกับความสุขที่จิตสงบนิ่งไม่คิดไม่ปุงไม่คิดไม่คิดอยากไม่คิดโลกไม่คิดโกรธไม่คิดหลง นี่แหละคือความสุขที่พวกเรายังไม่ค่อยได้เห็นกันเราจรึงไม่รู้ความวิเศษของความสุขอย่างนี้ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แนมะ้แต่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเราจะยินดีที่จะสละความสุขอื่นๆที่เราเคยมีอยู่เพราะเราจะรู้ว่าความสุขอื่นๆที่เราเคยเสพเคยสัมผัสอยู่นั้น มันเป็นเหมือนความสุขของอยาเสพติดเวลาได้เสพก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสพก็เกิดความทุกข์ทรมานจิตใจขึ้นมาถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้แล้วรับรองได้ว่าเราจะกล้าสละความสุขต่างๆทั้งหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขภายในจิตใจของเรา เพราะความสุขทั้งสองอย่างนี้ต้องแลกเปลี่ยนกันคือจะมีความสุขทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนความร้อนกับความเย็นจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะจะไม่ร้อนจะไม่เย็นจะกลายเป็นอุ่นๆไปถ้าเราต้องการความสุขทางธรรมความเย็นสงบของจิตใจเราก็ต้องสละความสุขทางโลก ทางโลกที่ร้อนไปด้วยอารมณ์ต่างๆร้อนไปด้วยความอยากร้อนไปด้วยความต้องการ <Yeah. S 1> ผู้ที่ได้สัมผัสกับความสุขภายในใจความเย็นใจแล้วจะรู้ทันทีเลยว่าจะต้องสละความสุขทางโลกไป <Yeah. S 1> ผู้ที่ยังไม่ได้บวช <Yeah. S 1> ก็จะเริ่มหาทางออกบวชให้ได้ เพราะรู้ว่าชีวิตของคารวาน์นี้ความสุขของคารวาน์นี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจนั่นเองคนที่เคยบวชแล้วหรือได้บวชอยู่แล้วถ้าได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่คิดสึกอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ ก็ยังมีโอกาสที่จะลาสิกขาไปได้เพราะถ้าไม่มีความสุขแบบนี้หล่อเลี้ยงจิตใจ <c oughs> ก็จะมีแต่ความอยากกับความสุขทางโลกซึ่งถ้าเป็นนักบวช <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะทำได้แสวงหาได้เพราะถูกกฎระเบียบของพระของนักบวชดีบังคับเอาไว้นั่นเอง เช่นอยากจะไปนอนหลับกับใครก็จะไม่สามารถทำได้ถ้าเป็นนักบวชถ้าอยากจะต้องไปนอนหลับกับใครเข้าไม่ช้าก็ต้องลาสิกขาไปหรือต้องการที่จะไปทำสิ่งต่างๆที่ขารวาทำกันก็จะไม่สามารถอยู่ในเพศของนักบวชได้ พราะภารกิจของคารวาสกับของนักบวชนั้นมีความแตกต่างกันภารกิจของคารวาสก็คือการหาความสุขจากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถัาวนี้เองชีวิตของคารวาสนี้ก็จะวนเวียนอยู่กับการสแสวงหาความสุขทางนี้แล้วก็จะต้องแบกความทุกข์ ไปพร้อมๆกันทุกเพราะความห่วงทุกเพราะความหวงทุกเพราะความเสียดายเพราะว่าความสุขทางโลกนี้มันไม่อยู่นิ่งเฉยนั่นเองมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปพอมันไปก็ต้องหามาใหม่หรือไม่เะนนั้นก็ต้องคอยหามาไว้เรื่อยๆ เ, เตรียมไว้เรื่อยๆ เ, เพราะมันจะหายไปเรื่อยๆ พอเมื่อได้มาแล้วก็จะหมดไปแต่ความสุขทางธรรมนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นพอมันมีอยู่ในใจแล้วมันก็จะอยู่กับไปกับใจไปเรื่อยๆให้ความสุขไปเรื่อยๆไม่มีความพร่องแต่อย่างใดไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะรู้ว่ามันไม่จากเราไปไม่หวงไม่ห่วง เพราะว่ามันอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองนี่แหละคือความวิเศษของธรรมะของลดแห่งธรรมเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเรายังไม่ได้สัมผัสเราก็ควรที่จะศึกษาว่าวิธีที่จะสัมผัสกับความสุขแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้สามขั้นตอนด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานคือการให้ขั้นที่สองเรียกว่าศีลคือความตั้งอยู่ในความสงบทางกายและทางวาจาและขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาคือการกล่อมใจให้สงบนิ่งนั่นเองถ้าเราปฏิบัติสามขั้นตอนนี้แล้วรับรองได้ว่า เราจะได้พบกับความสงบสุขของใจไปตามลำดับขั้นแรกที่เกิดจากการให้ทานก็เป็นความสงบสุขในระดับหนึ่งเพราะเวลาที่เราให้ทานแล้วใจของเราจะระงับจากความโลภได้ในระดับหนึ่งระงับจากความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ในระดับหนึ่งทำให้เรารู้สึกมีความ อิ่มอิบใจมีความพอใจเพียงแต่ว่ามันยังไม่พอเพียงมันยังมีความอยากอย่างอื่นที่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ผุดขึ้นมาได้เราก็ต้องทำให้มากๆทำให้บ่อยๆเข้าแล้วก็ขยับเข้าไปสู่การปฏิบัติขั้นที่สองที่เรียกว่าศีลพยายามรักษากายวาจา ของเราให้อยู่ในความสงบเช่นในขณะนี้เรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่พูดไม่ทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าเรามีสีแล้วมีความสงบกายสงบวาจาถ้าเราออกไปข้างนอกออกไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกไปพูดสิ่ ง, งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความ วุ่นวายใจเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราไปพูดไม่ดีไปทําไม่ดีเข้าก็จะมีเรื่องมีปัญหาตามมาให้เราต้องวุ่นวายใจดังนั้นเวลาที่เราจะพูดเราจะทําอะไรเราก็ต้องคอยดูว่าเราพูดหรือทําในสิ่งที่ไม่ทําให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาหรือไม่ ถ้าเราปฏิบัติตามศีลห้าข้อแล้วรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะไม่วุ่นวายเช่นถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะไม่วุ่นวายใจถ้าเราไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราก็จะไม่วุ่นวายใจถ้าเราไม่ประพฤติผิดปรเวณีเราก็จะไม่วุ่นวายใจ ถ้าเราไม่พูดปดโกหกหลอกลวงเราก็จะไม่พูดวายใจถ้าเราไม่เสพสุรายาเมาเราก็จะไม่วุ่นวายใจเพราะการกระทําเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายใจนั่นเองเมื่อมีความวุ่นวายใจแล้วใจก็จะไม่สามารถสงบลงได้เมื่อไม่สงบก็จะไม่มีความสุข นี่คือการทำใจให้สงบในระดับที่สองคือการรักษาศีลส่วนการรักษาใจให้สงบลาดับที่สามคือนอกจากให้ท า, แานแล้วรักษาศีลแล้วก็ยังไม่สงบเต็มที่รอยเปอร์เซสงบไปประมาณ 50% เอร์ซน์ด้วยกันยังเหลืออีก50ร์ซนใจเรายังอดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้ อดวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อดห่วงใยกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้นี่ก็ยังเป็นเหตุที่ทําให้ใจของเรายังมีความวุ่นวายใจอยู่แต่ไม่รุนแรงเท่ากับความวุ่นวายใจที่เกิดจากการประพฤติผิดศีลหรือเกิดจากการไม่ทําไม่ให้ทานแต่ก็ยังเป็น ความวุ่นวายใจอยู่ที่เราจะต้องทําให้มันสงบให้ได้และวิธีที่จะทําให้มันสงบให้ได้นี้ก็คือวิธีภาวนาภาวนานี้แปลว่าการทําใจให้สงบนิ่งด้วยอุบายแห่งสมะถะภาวนาหรือสมาธิอุบายนี้ทําอย่างไรก็คือให้ใจมีอะไรเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวให้ใจคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นเช่นให้คิดถึงบทสวดมนต์ถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่สร้างให้เราต้องวุ่นวายใจก็จะหายไปไม่นานใจของเราก็จะ สงบเย็นสบายถ้ายังไม่เย็นยังไม่สบายแสดงว่าเรายังไม่สวดอย่างต่อเนื่องเราสวดแล้วเราก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแล้วก็สวดไปพร้อมๆกันบ้างสวดมนต์ไปอย่างนี้สวดไปจนวันตายก็จะไม่ทําให้จิตใจสงบถ้าจะสวดมนต์เพื่อให้เกิดความสงบต้องสวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยถ้ารู้ว่ากำลังคิดอยู่ก็ให้หยุดคิดหยุดสวดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้มีสติเฝ้าดูว่ากำลังสวดมนอยู่อย่างเดียวหรือเปล่านี่ก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าสวดมนไปแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะหยุดก็ลองสวดบริกรรมพุทโธพุทโธไปคําเดียวดู ถ้าทำได้หรือถ้าไม่อยากจะบริกรรมก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูตรงที่ปลายจมูกก็ได้เวลาลมเข้าออกแล้วสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกก็ดูอยู่ตรงนั้นเวลาลมเข้าก็รู้ว่าลมกำลังเข้ามาเวลาลมออกก็รู้ว่าลมกำลังออกมาไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นใจก็จะนิ่งเย็นสบายได้ นี่คืออุบายแห่งการทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายแห่งสมถภาวนาแต่อุบายแบบนี้จะทำใจให้สงบได้ชั่วขณะขณะที่นั่งอยู่แล้วไม่ไปคิดเรื่องอะไรใจก็สงบเย็ยนสบายได้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นไปทำภารกิจ การงานต่างๆใจก็จะเริ่มคิดพอเห็นอะไรก็จะเริ่มกระเพื่อมขึ้นมาจะเริ่มมีความอยากมีความโลภมีความโกรธขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยอุบายของวิปัสสนาคือปัญญามาสอนใจไม่ให้กระเพื่อมเวลาเห็นอะไรก็ไม่ให้กระเพื่อม ไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายอุบายแห่งวิปัสสนานี้จะสอนให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ดีไม่ใช่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง mm. เช่นเวลาเราเห็นเงินสักก้อนอย่างนี้เราอย่าไปดีใจเราอย่าไปอยากได้ถ้าเรามีวิปัสสนาวิปัสสนาจะสอนเราว่า เงินทองนี่เป็นเหมือนอสอรลพิษเวลาเราถ้าเราไม่รู้จักวิธีจับอสอรลพิษเราก็จะถูกอสโลพิษกัดตายได้ถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเงินทองเราก็จะถูกเงินทองกัดเราได้ทำให้เรามีความทุกข์ได้เช่นพอได้เงินทองมาก็รีบไปซื้อข้าวของ ที่อยากได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่จำเป็นที่ต้องซื้อถ้าไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของไม่จำเป็นหรือไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑในรูปแบบต่างๆมาเสพเช่นไปซื้อสุรามาดื่มไปซื้อเครื่องดื่มต่างๆมาดื่มหรือไปซื้อขนมชนิดต่างๆมารับประทานอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินแบบไม่ฉลาด ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเงินทองถ้าใช้แบบนี้เดี๋ยวไม่นานเงินทองที่ได้มาก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วแต่ใจมันยังไม่หมดกับความอยากใช้เงินตอนนั้นก็จะวุ่นวายใจก็ต้องดิ้โดนโนหาเงินด้วยวิธีการต่างๆถ้าไม่มีความสามารถที่จะหาเงินด้วยวิธีที่สุดเจริต ก, ก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตไปลักขโมย ไปปล้นไปจี้แล้วก็สร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายใจให้กับตนเองต้องคอยหลบซ่อนๆกลัวจะถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งถ้าทำไปเรื่อยๆก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขังคุกขังตารางอย่างแน่นอนนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีวิปัสสนา พอเห็นเงินก็เห็นเงินทองก็ตาลรกวาลคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่วิเศษได้เงินได้ทองแล้วจะมีความสุขมากแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปถ้าเรามีวิปัสสนาเราก็จะพิจารณาอย่างนี้สอนให้เราหัดอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองดีกว่าให้เราหาความสุขจากภายในใจของเราดีกว่าด้วยการตัดความ โลภตัดความอยากต่างๆเพราะอยากเท่าไหร่โลภเท่าไหร่ได้มามากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอจะไม่สุขจะมีแต่ความทุกข์ตามมาเสมอถ้าสอนใจอยู่อย่างนี้แล้วต่อไปเห็นอะไรก็จะไม่อยากได้เพราะจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับอสารพิษไม่มีใครอยากจะได้อสสารพิษมาเป็นสมบัติ ฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นทุกข์ทำนั้นไม่มีอะไรไม่เป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราอยู่คนเดียวเราคิดว่ามีคู่ครองแล้วจะทําให้เรามีความสุขแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทุกข์กับคู่ครองของเราบ้างหรือไ ม, ไม่พอมีคู่ครองแล้วบางทีก็ต้องมาทะเลาะกัน ก็เป็นความทุกข์แล้วเวลารักกันถ้าไม่เห็นหน้ากันก็เป็นความทุกข์แล้วแล้วเวลาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไม่นานก็ต้องมีลูกอีกก็มีความทุกข์กับลูกอีกต้องคอยเลี้ยงดูลูกคอยห่วงคอยกังวลกับลูกอีกแล้วเวลาพัดพรากจากกันก็ต้องร้องหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ เหลนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขถ้าเราอยู่คนเดียวได้ไม่มีคู่ครองเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยามไม่ต้องทุกข์ ก, กับบุตรกับที่ดานี่คือความทุกข์หรือความทุกข์กับสิ่งอื่นๆเช่นสมบัติต่างๆเป็นต้น มีอะไรแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษามีเสื้อผ้าก็ต้องหาเสื้อผ้าหาตู้เสื้อผ้ามาใส่มาเก็บเอาไว้แล้วเมื่อใส่ก็ต้องเอาไปซักอยู่เรื่อยๆมีอะไรก็ต้องดูแลรักษามีรถก็ต้องดูแลรักษารถต้องห่วงต้องกังวลต้องห่วงเวลารถเสียไปรถหายไปก็ปวดหัวต้องเอามาซ่อมต้องเสียเงินเสียทอง มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามองด้วยธรรมะมองด้วยวิปัสสนาจะเป็นอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วแล้วจึงมาสอนพวกเราว่าของทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแม้แต่เพียงแต่คิดว่าเขาจะจากไปทั้งๆ ท, ที่ยังไม่จากไปเลยก็ไม่สบายใจแล้วทำใจไม่ได้แต่ถ้าทำใจได้ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เรามีอยู่ที่เป็นสมบัติของเราอยู่นี้ สักวันหนึ่งก็จะต้องจากเราไปหรือสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปอย่างแน่นอนไม่มีอะไรไม่มีใครจะมายับยั้งความจริงอันนี้ได้นี่คืออุบายแห่งวิปัสสนาถ้าเราออกจากสมาธิแล้วเราอยากจะรักษาความสงบของใจที่ได้จากการนั่งสมาธิเราก็ต้องใช้วิปัสสนา เวลาเห็นอะไรก็ต้องคิดว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ดีทั้งนั้นถ้าไม่จำเป็นแล้วอย่าเอามาอย่าเอามาเป็นสมบัติถ้ามีความจำเป็นก็เอามาใช้เพื่อประโยชน์แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปคิดว่าเป็นของเราอย่าไปคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดพร้อมที่จะให้เขาจากไปเสมอไม่ได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามเมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไป เช่นได้รถยนต์มาก็อยากไปเสียใจถ้าเกิดรถมันหายไปเพราะว่ามันต้องไปจากเราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจะต้องไปจากเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างแน่นอนนี่คือวิธีรักษาใจวิธีสร้างความสง บ, บสุขสร้างรถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงนี้ด้วยการศึกษาวิธีการ ปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเช่นวันนี้ได้ยินได้ฟังแล้วว่าถ้าอยากจะได้พบกับความสุขอันประเสริฐถ้าอยากจะพบกับรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็ให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาเราก็นำเอาไปปฏิบัติเรามีสมบัติเข้าของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปให้ทานเสีย เวลาเราพูดเราทำอะไรก็ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมเวลาเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานอย่างอื่นเราก็มานั่งทำจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธด้วยการดูลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ชนิดใดก็ได้พอจิตสงบก็เราจะมีความสุขพอออกจากความสงบแล้วเราก็อย่า ปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยให้คิดเสมอว่าอย่าไปอยากได้อะไรในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราสอนใจอย่างนี้เราไปตลอดเราจะได้มีความสุขไปตลอดอย่างแน่นอนจิงขอฝากเรื่องของการมาสร้างรถแห่งธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในใจของเราด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม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 Amen. Uh...